วันนี้พวกเราก็ได้มารวมกันตัดพกตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดตัดกองทุกให้ลดน้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจของพวกเราเลย การตัดภพตัดชาตินี้ก็ต้องตัดกับสิ่งที่เรารักเราชอบที่เรามีความผูกพันเพราะการที่เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าก็เพราะว่าเรายังรักยังชอบสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่นั่นเองเราจึงวกเวียน กลับมาหาสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆร่รางกายตายไปแต่ตัวเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวเราก็วกเวียนกลับมาเกิดใหม่มาสร้างพพสร้างชาติใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ไม่อยากจะกลับมาสร้างพพสร้างชาติใหม่เราก็ต้องตัดสิ่งที่เรารัดไป ้ได้ทั้งหมดทุก ส, สิ่งทุกอย่างที่เรารักที่เราชอบนี่เราต้องตัดไปถ้าเราไม่ตัดเราก็จะไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นเราต้องพิจารณาดูว่าเรารักเราชอบอะไรเราต้องบังคับ ใจบังคับตัวเราให้ตัดให้ได้ด้วยการพิจารณาให้เห็นโทษของการรักของการชอบสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวที่จะดึงดูดให้เรากลับมาสร้างพบสร้างชักไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นสิ่งที่พวกเราทุกคนรักเราชอบกัน โดยที่ไม่มีใครต้องสอนต้องบอกเกิดมานี้พ่อแม่ไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกพวกเราก็รักเราชอบกันทุกคนก็คืออะไรก็คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโภชพระชนิดต่างๆนี่นี่คือสิ่งที่พวกเรารักเราชอบกันไม่ต้องมีใครสอนให้เรา รักเงินรักทองชอบเงินชอบทองไม่ต้องมีใครสอนให้เรารักความเป็นใหญ่เป็นโตรักยศรักยศไม่ต้องไม่ต้องมีใครสอนให้เรารักสรรเสริญไม่มีใครต้องมาสอนให้เรารักรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆมันเป็นไปโดยอัตโนมัติมันถูกปลุกฝังอยู่ภายในใจของเรา มาจนกลายเป็นสันดานเกิดมาปั๊บก็จะวิ่งเข้าหาสิ่งเหล่านี้ทันทีเหมือนกับเหมือนกับแม่เหล็กกับเหล็กเวลาแม่เหล็กจอแม่เหล็กไปที่เหล็กมันก็จะโดดวิ่งเข้าหากันทันทีเช่นใดใจของพวกเรากับลาบยศสรรเสริญกับลูกเสียงกลิ่นรสก็เป็นอย่างนั้น มันจึงกลับมาเกิดเพราะมันมีความดึงดูดเหมือนกับการดึงดูดของโลกกับสิ่งต่างๆบนโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ที่อยู่บนโลกนี้ไม่ลอยออกไปจากโลกนี้ก็เพราะว่ามีแรงดึงดูดของโลกดึงเอาไว้นั่นเองเช่นเวลาผลไม้หลุดออกจากขั่ว มันไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้ามันจะตกลงมาบนดินเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดของโลกดึงให้มันลงมานั่นเองชันใดการดึงดูดของใจกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นเสิ่งที่มันดูดกันดึงกันมา อยู่ตลอดเวลามันจึงดึงดูดให้ใจมาหาร่างกายพอได้ร่างกายแล้วมันก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาราบหายศหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะหาไปเรื่อยๆจนแก่ตายไปพอตายไปแล้วใจที่ยังไม่ได้หยุดความ ดึงดูดความชอบความรักในราบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสปวดตภามันก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทำใหม่อย่างเดิมอีกแต่การกลับมาแต่ละครั้งนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนบางครั้งก็กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ บางครั้งก็กลับมาได้ร่างกายของเดลฉานเพราะในช่วงที่สแสวงหาราบยศสรรเสริญสแสวงหารูปเสียงกลดิ่นรสโรพระนั้นบางครั้งบางช่วงก็หามาโดยการทำบาปเช่นการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปลด โกหกหลอกลวงการเสพ ย, ยาเสยาเมาก็จะทําให้ได้ร่างกายที่ต่ําก็คือได้ร่างกายของเดรัจฉานหรือถ้าไม่ได้ร่างกายก็จะได้กายทิพย์ที่ต่ําก็คือกายทิพย์ของเปรตกายทิพย์ของอสุรกายกายทิพย์ของสัตว์นรกนี่คือ ร่างของผู้ที่แสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหารูปเสียงกลิ่นลดผลต่พระด้วยวิธีการทำบาปถ้าไม่ได้ทำบาปก็จะได้ร่างของมนุษย์ได้ร่างของเทพถ้าได้ทำบุญถ้าได้ทำความดีบ้างในขณะที่ แสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นตนเองมีความสุขก็เลยอยากจะแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นการกระทำเหล่านี้ก็จะทำให้ได้ร่างกายของเทพได้ร่างกายของมนุษย์ที่ดี แต่ก็ยังเป็นร่างกายที่มีวันที่จะต้องแกเ่เจ็บตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มีคนสั่งคนสอนคนบอกให้เห็นว่ากำลัง วนเวียนอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในพบต่างๆอยู่ถ้าได้พบกับคนฉลาดที่รู้การปฏิบัติที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเีกเช่นพระพุทธเจ้าและพระอารหาันตสาวกทั้งหลายก็จะได้ ได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติที่จะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปและให้หมดไปตามลำดับได้ดังนั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้มาพบกับพระอรหันตสาบุกในรูปของพระพุทธศาสนา ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของเราในภายภาคหน้าคือจะทำให้เราหยุดยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้จะทำให้เราได้พบกับ สถานะภาพที่ไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปได้การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจะได้รับประโยชน์ก็ต้องอยู่ที่การที่จะสนใจศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีที่จะตัดภพตัดชาติให้หมดไป อย่างวันนี้ก็ได้แสดงให้ฟังแล้วว่าการที่เราจะตัดภพตัดชาติให้หมดไปได้เราจำเป็นจะต้องตัดสิ่งที่เรารักไปทั้งหมดให้ได้เรารักเราชอบอะไรพยายามตัดมันไปอย่าไปเข้าไปมีความเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นลาบก็ดียศก็ดี สรรเสริญก็ดีหรือรูปเสียงกลิ่นรสผดสะระชนิดต่างๆก็ดีเช่นการดื่มการรับการดื่มเครื่องดื่มต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อร่างกายการรับประทานอาหารและขนมนุมเนยต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เรายังสามารถดื่มและรับประทานสิ่งที่มีความจําเป็นต่อร่างกายได้แต่เราจะดื่มเราจะรับประทานใ น, ในรูปแบบของการดื่มรับประทานยาคือจะไม่หาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานเพื่อที่จะเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ ไปได้โดยเป็นปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ถึงแก่กรรมก่อนที่ควรจะเป็นไปก็ต้องรับประทานอาหารที่เราไม่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่เราไม่ชอบถ้าเรายังรับประทานอาหารที่เราชอบดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบอยู่ มันก็เป็นการผูกใจให้เราติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะอยู่ก็จะทำให้เราเวียนกลับมารูปเสียงกลิ่นรสพุทธะที่เราชอบอยู่เรื่อยๆต่อไปแต่ถ้าเรากินอาหารที่เราไม่ชอบได้เดื่มเครื่องดื่มที่เราไม่ชอบได้แต่เป็นประโยชน์กับร่างกายเป็นเหมือนยาเราก็จะเดืมแบบ ดื่มยารับประทานเหมือนรับประทานยาการดื่มยาการรับประทานยานี้เราไม่เคยคิดที่จะเวียนกลับมาหามันถ้าเราไม่มีความจำเป็นจริ ง, รงๆเราจะไม่ดื่มยานเราจะไม่ดื่มเช่นยาขมคนจีนเขานิยมดื่มยาขมรักษาโรคร้อนในไม่มีใครก็อยากจะดื่ม แต่ก็จำเป็นจะต้องดื่มเพื่อที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายถ้าเราจะดื่มเพื่อร่างกายขอให้เราดื่มแบบนี้อย่าไปดื่มของหวานหวานมันๆเปรี้ยวๆอะไรต่างๆอย่างที่เขาผลิตเครื่องดื่มต่างๆออกมาให้ดื่มอันนี้เรียกว่าเป็นการดื่มเพื่อสร้างพพสร้างชาติต่อพพต่อชาติ ดือมกาแฟเดื่มสุราของพวกนี้ไม่ดื่มก็ไม่ตายร่างกายขาดกาแฟาไม่ตายร่างกายขาดสุราไม่ตายร่างกายขาดโคลาเพ ป, ปซี่ไม่ตายร่างกายขาดน้ําเปล่าไ ม, ไม่ไม่ด้ตายแน่ถ้าอยากจะดื่มเพื่อตัดพพตัดชาติก็ต้องดื่มน้ําเปล่า น้ำเปล่านี่เราไม่ค่อยที่จะหิวโหยกับมันแต่เราจะดื่มต่อเมื่อมันไม่มีน้ำอย่างอื่นให้ดื่มถ้ามีน้ำอย่างอื่นให้ดื่มก็จะไม่ดื่มน้ำเปล่ากันเพราะยังติดในรสชาติของเครื่องดื่มนั่นเองก็ติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะดีๆนี่เองก็เท่ากับการต่อพบต่อชาติให้มันยาวออกไปเท่านั้นเอง ถ้าเราต้องการตัดพบตัดชาติเราก็ต้องตัดการดื่มการรับประทานของเราให้เป็นในลักษณะแบบรับประทานยาดื่มยาแล้วเราก็จะได้ตัดเรื่องการติดในรูปเสียงกล็ดลดผลข้าที่เกี่ยวกับการดื่มกับการรับประทานแต่ยังมีเรื่องติด รูปเสียงกินรสผลตภะทางตาและทางหูอีกทางตาเราก็ต้องเลิกดูสิ่งที่เราชอบดูกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามภา พ, พยนตร์ดิเกเะโมหรลสบละครหนังสือแฟชแฟชั่นหรืออะไรต่างๆที่เราชอบดูผ่านทางตาของเราเราก็ต้องเลิกดูไป เสียงที่เราชอบฟังผ่านทางหูไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีเสียงนักกร้องเสียงอะไรก็ตามที่เรามีความชอบมีความผูกพันเราก็ต้องเลิกฟังไปถ้าเราอยากจะตัดภพตัดชาติฟังเสียงธรรมชาติอย่างมาอยู่ตามป่าตามเขานี้จะมีเสียงที่ไม่เกาะภพเกาะชาติ เสียงนกร้องเสียงลมพัดจะไม่เป็นเสียงที่เรามีความผูกพันก็จะทำให้เร า, เาตัดทบตัดชาติทางตากับทางหูได้ส่วนผลทพะก็คือการสัมผัสทางร่างกายเราก็ต้องตัดมันให้ได้เช่นเราต้องยอมสัมผัสกับสิ่งที่เป็น ธรรมชาติเป็นธรรมดาอย่าไปปรุงแต่งกับสิ่งที่สัมผัสผ่านทางร่างกายเช่นอากาศก็ไม่ต้องไปปรับมันไม่ต้องไปปรับให้มันร้อนไปปรับให้มันเย็นอากาศมันเป็นอย่างไรก็อยู่กับมันไปให้เรามาปรับใจเราให้เข้ากับอากาศให้รับกับอากาศให้ได้ แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเครื่องปรับอากาศหาเครื่องต้มน้ําร้อนถ้าเราปรับใจไม่ได้เราก็ต้องปรับอากาศเราก็ต้องกลับมาหาเครื่องปรับอากาศกันอยู่เรื่อยเรื่อยยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่หรือการสัมผัสกับบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกันเราต้องอยู่ แบบไม่มีการสัมผัสไม่ต้องมีการจับไม้จับมือกอดกันอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความรักความชอบที่เกี่ยวกับพลทพะคือการได้สัมผัสผ่สผานทางร่างกายความรู้สึกผ่านทางร่างกายอันนี้ก็ต้องพยายามตัดให้ได้นี่เรียกว่าการตัดภพตัดชาติในระดับ แรกตัดลาบยศสรรเสริญตัดรูปเสียงกลิ่นรสผลต พ, พะวิธีตัดพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทำทานเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยตัดช่วยลดได้ทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสมามาเสบมาให้ความสุขกับเราเราซื้อมาแล้วเราก็เอาไปให้คนอื่นแทน ให้คนอื่นเขามีความสุขส่วนเราจะดื่มยาขมดื่มน้ำขมกินของที่เราไม่ชอบกินของอันไหนที่เราอยากกินเราชอบกินเราซื้อได้แต่เราอยากกินซื้อแล้วเอาไปถวายพระก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่แบบคนสมัยนี้เขาถวายของพระเพราะอะไรก็อยากจะกินเวลาที่เขาตายไปแล้ว เขาชอบอะไรเขาก็จะเตรียมซื้อของอันนั้นถวายพระเพราะเขาคิดว่าเวลาตายไปแล้วเขาจะได้มีอาหารเหล่านี้กินต่อมีเยมคนหนึ่งมาถามว่าถ้าถวายเค้กแล้วตายไปจะได้กินเค้กก็เปล่า <c oughs> อันนี้แสดงว่าทำบุญเพื่อต่อภบต่อชาติไม่ได้ทำบุญเพื่อตัดภบตัดชาติทาบุญทำบุญเพื่อตัดพบตัดชาติก็คือต้อง เอาของที่เราชอบดื่มชอบรับประทานนี้ซื้อมาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นกินเราอย่า ก, กินเองเราปไปกินของที่เราไม่ชอบกันอย่างนี้รับรองได้ว่าต่อไปจะไม่กลับมาหาของที่เราอยากจะกินอีกต่อไปทุกครั้งเวลาที่จะกินอาหารก็ให้กินอาหารที่เราไม่ชอบดื่มเครื่องดื่มก็ให้ดื่มเครื่องดื่มที่เราไม่ชอบ นี่ก็เรียกว่าทานเอาเงินที่เราจะไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรถที่เราชอบนี่เอามาให้คนอื่นหรือว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อเสร็จแล้วก็ให้คนอื่นไปเราชอบกระเป๋าใบนี้เราก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเป็นของขวัญวันเกิดให้คนอื่นเขาไปชอบเสื้อผ้าชุดนี้เห็นเขาขายในร้านดูสวยดี ก็ซื้อมาแต่อย่ามาซื้อมาให้กับตัวเราซื้อแล้วเอาไปให้คนอื่นทาทานนี่เรียกว่าทาทานเป็นอย่างนี้อย่าใช้เงินซื้อของต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะมันจะทำให้เรามีความผูกพันมีความติดกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เราก็มันก็จะดึงให้เรากลับมาหาสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆ เห็นไม่เคยซื้อกระเป๋าใบเดียวแล้วพอไหพอซื้อได้ใบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเห็นใบใหม่ก็อยากจะซื้อใหม่รองเท้าก็เหมือนกันเห็นซื้อคู่นี้แล้วเดี๋ยวเห็นคู่ใหม่ก็อยากจะซื้ออีกเสื้อผ้าก็เหมือนกันเห็นชุดนี้แล้วก็อยากจะได้มาพอซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้อชุดใหม่รถยนต์ก็เหมือนกันโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกัน ของใช้ไม้สายอะไรต่างๆก็เหมือนกันพอเห็นของใหม่ออกมาแล้วก็อยากจะได้ทันทีอยากจะซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆก็จะทําให้เราต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อของต่างๆแล้วเวลาหาเงินก็อาจจะพลาดไปทําบาปทํากรรมได้แล้วก็ต้องไปรับผลของบาปกรรมที่เราทํา หลังจากที่เราตายไปแต่ถ้าเราตัดมันได้ไม่ไปซื้อของต่างๆที่เรารักเราชอบได้ถ้าจะซื้อก็ซื้อของที่มันจำเป็นต่อการดำรงชีพแล้วก็ต้องซื้อของที่เราไม่ชอบเช่นเสื้อผ้าสวยๆงงามเราก็อย่าไปซื้อมันซื้อชุดขาวมาใส่อย่างนี้มันก็จะตัดพบตัดชาติได้ ตัดความผูกพันกับสิ่งต่างๆที่เรายังจาเป็นที่จะต้องใช้อยู่ได้คือให้ใช้ของที่มันที่เราไม่ชอบอย่างพระพุทธเจ้าในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าจีวรของพระพุทธเจ้าก็ไปหาตามป่าชากันไปเก็บผ้าที่เขาใช้ห่อศพทิ้งไว้ในป่าชา หรือผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองขยะเป็นผ้าที่ไม่มีใครอยากจะใช้ไปเก็บมาชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่เอามาสะสมไว้พอมีจํานวนที่จะมาตัดมาเย็บมาต่อกันให้เป็นผืนใหญ่ได้ก็เอามาตัดเย็บตัดต่อกันเสร็จแล้วก็ใช้น้ําฝาดย้อมน้ําฝาดก็คือน้ําที่ต้มด้วยแก่นไม้ ก็จะได้เป็นผ้าสีกาสาวพัท ส, สีเหลืองอันนี้แหละคือการตัดพบตัดชาติของพระพุทธเจ้าของพระสาวกในสมัยพระพุทธการที่เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยสี่อาหารก็ใช้หลักของการบินทบาทยินดีตามมีตามเกิดไม่ได้เขียนเมนูไว้ในบาท เวลาเปิดขาบาทก็ให้ญาติโยมดูว่าเคยได้ยินว่ามีบางสำนักนี่เวลาบิณฑบาตมีแจกหนังส Clear ือว่าควรจะใส่อาหารชนิดไหนไม่ควรใส่อาหารชนิดไหนให้กับพระภิกษุเคยได้ยินหรือเปล่าเพราะสำนักนี้เขาถือมังสวิรัติดังนั้นเขาจะมีหนังสืออธิบายแจกแจงว่าควรที่จะใส่อาหารที่ เป็นมังสวิรัตอาหารเจไม่ควรจะใส่อาหารที่มีเนื้อสัตว์อันนี้ก็ไม่ใช่สถานะของนักบวชของผู้ที่ต้องการตัดภพตัดชาติผู้ตัดภพตัดชาตินี้ต้องรับประทานอะไรก็ได้ถ้าคนใส่เขารับประทานได้เราก็รับประทานได้นี่ก็คือ การรับประทานอาหารของผู้ที่ต้องการที่จะตัดพบตัดชาติต้องอย่าไปมีความผูกพันมีความยินดีกับอาหารชนิดต่างๆถ้าเวลาได้อาหารที่ชอบมาก็ให้ทําลายมันด้วยการเอาไปคุกกับอาหารที่เราไม่ชอบหรือคุกกับอาหารชนิดอื่นเช่นเอาของขาวมาคุกกับของหวานเอาขอนมนมเดย น้ำชากาแฟใส่เข้าไปคุกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมในที่เดียวกันอยู่ดีอาหารทั้งหมดนี้มันจะไปที่ไหนเวลาที่เรารับประทานเสร็จแล้วมันก็จะไปรวมกันอยู่ในกระเพาะนั่นก่อนที่มันจะไปรวมในกระเพาะใก้มันรวมในในกระทะในในชามของเราก่อนคุก ม, มันก่อนคนมันก่อน ให้มันเป็นเหมือนกับอาหารชนิดเดียวนี่คือการรับประทานอาหารเพื่อไม่ให้ติดรสชาติการติดรสชาติก็เท่ากับการติดภพติดชาตินี่เองนี่คือเหตุผลที่ทำไมาพระท่านถึงฉันในบาทกันฉันในบาทแล้วอาหารทุกชนิดใส่เข้าไปในบาทเพื่อที่จะได้ตัดความผูกพันติดรสติดชาติ การรับประทานอาหารนี้ให้รับประทานเหมือนรับประทานยาไม่ใช่รับประทานเพื่อให้มีความสุขสุขใจให้รับประทานเพื่อความสุขกายเพียงอย่างเดียวคือให้ดับความหิวของร่างกายและป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นเร็วจนเกินไปแล้วก็รักษาให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยให้อยู่อย่างปกติสุขนี่คือวิธีการ รับประทานของผู้ที่มุ่งต่อการตัดภบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดต้องรับประทานของที่เราไม่ชอบถ้าเราเป็นคนหาอาหารเองเราก็ต้องผืนใจเวลาไปร้านอยากไปสั่งอาหารที่เราชอบให้สั่งอาหารที่เราไม่ชอบหรือถ้าไม่อยากจะเลือกก็สั่งเด็กว่าเอาอะไรมาก็ได้เอามาสักสองสามอย่าง อย่างนี้ก็จะตัดเรื่องของการผูกพันติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสพลตภะชนิดต่างๆได้แลงั้นเราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบริโภคที่ใจเรามาเสพนี้เราต้องสังเกตดูว่าเราชอบมันหรือไม่ชอบถ้าเราชอบเราต้องฝืนอย่าไปเสพมันถ้า เสพแล้วมันจะติดถ้าเราชอบกาแฟ і, เราต้องฝืนอย่าดื่มกาแฟถ้าเราชอบสุราเราก็ต้องฝืนอย่าดื่มสุราถ้าเราชอบสูบบุหรี่เราก็ต้องฝืน อ, อ น, อองฝนอย่าสูบบุหรี่ถ้าเราชอบดูละครเราก็ต้องฝืนอย่าดูละครถ้าเราชอบออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ต้องฝืนอย่าออกไป วิธีที่จะช่วยให้เราฝืนสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือการถือศีลแปดศีลแปดนี่แหละเป็นรัว้วเป็นเครื่องมือที่จะกันไม่ให้ใจของเราได้ออกไปเสพสัมผัสกับสิ่งที่เราชอบกันเอ<ม>็นศีลข้อสามก็จะตัดเรื่องของการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอัปปรมัจริยาเว ร, รมณี จะถือศีลพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือผู้ที่ไม่เสพกามไม่ร่วมหลับนอนไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอันนี้ก็ข้อหนึ่งอีกข้อก็คือไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปรับพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายก็คือไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แล้วถ้าจะให้ดีก็รับประทานใ น, ในชามภาชนะอันเดียวแล้วถ้าทุกมันได้รวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปได้ก็ดีเอาน้ำชากาแฟใส่เข้าไปเอาแกงเผ็ดแกงจืดใส่เข้าไปเอาขนมน ม, นมเนยอะไรต่างๆอะไรก็ตามที่มันจะเข้าไปในร่างกายเหล่านี้เราเอาเข้าไปไว้ในชามใบเดียวกันก่อนแล้วก็เอาช้อนมาคนมัน ให้มันเป็นเหมือนกับเวลาที่มันอยู่ในกระเพาะถ้ามันถ้ายังไม่พอก็ให้ถุยน้ำลายใส่ลงไปเพราะเดี๋ยวมันต้องไปคุกับน้ำลายต่ออีกทีนะ ถ้าทําอย่างนี้ได้ก็รับรองได้ว่าเราจะไม่ติดกับเรื่องการรับประทานอาหารจะรับทับทอยเฉพาะเมื่อถึงเวลาเท่านั้นถ้าเป็นนะักปฏิบัติแท่งคัดจริงๆก็เอามื้อเดียวไปเลยเอาหนเดียวเลยเติมทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยเหมือนเติมน้ํามันทําไมต้องไปแบ่งเป็นสามถังให้สามตอนเติมทีละหนึ่งในสามถังทำไมเติมทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลย จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแวะจอดตามสถานีบริการอยู่ได้เรื่อยการเดินทางมันจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราแบ่งการรับประทานอาหารเช้ามื้อนึงกลางวันมื้อหนึ่งเย็นมื้อหนึ่ ง, งก่อนนอนอีกมื้อหนึ่งมันก็หมดกับเวลากับการการดื่มการรับประทานอาหารก็จะไม่มีเวลาที่จะมาะบำเพ็ญ ทำจิตใจให้สงบตัดความอยากต่างๆให้หมดไปอย่างท้าวอนได้การถือศีลแปดนี้เป็นเพียงเป็นการทําที่เพียงแต่กัรความอยากของเราความผูกพันกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณนี้ให้มันมีขอบมีเขตเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ทำให้มันตายมันยังดิ้นได้อยู่ ถ้าเราเลิกถือศีลเมื่อไหร่มันก็จะกระโดดกลับไปหาสิ่งต่างๆเหรานั้นทันทีเช่นคนถือศีลแปดเฉพาะวันพระพอหลังจากวันพระไปแล้วก็ลืมเลยศีลแปดกลับไปหาศีลห้าดีไม่ดีศีลห้าก็ไม่เอาก็มีมแล้วแต่เพราะนั้นนอกจากถือศีลแล้วยังไม่พอยังต้องถ้าอยากจะฆ่าความผูกพัน กับสิ่ ง, งต่างๆให้หมดไปนี้ยังต้องปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปคือขั้นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแต่ในขั้นศีลนี้อย่างที่พูดที่ถือศีลข้อหกก็เพื่อให้ตัดเรื่องอาหารให้รับประทานอาหารเหมือนรับประทานยาแล้วศีลข้อเจ็ดก็ต้องตัดเรื่องบันเทิงต่างๆเรื่องความสวยความงามของร่างกาย ก า, การแต่งสวยการมุงแต่งต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายไปมันเสียเวลามันเป็นของปลอมแต่ม ส, สวยได้เดียวเดียวเดี๋ยวมันเสื้อร่างกายเหงือออกมันก็ส่งกลิ่นเหม็นนะเดี๋ยวมันก็ต้องไปอาบน้ำอาบท่ามาแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เฉนั้นทำไปก็เสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่กับเกิดเกิดกับกายก็เป็นการต่อภพต่อชาติเพราก็จะต้องคอยแต่งอยู่เรื่อยแกอายุหนังเหี่ยวย่นก็ยังต้องแต่งอยู่นั่นนะบางคนหน้าแต่งหน้าทาปากไปอายุหนังเหี่ยวยังไงก็ยังแต่งอยู่นั่นเพราะตนไม่ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของร่างกาย อ, อันนี้ก็ต้องตัดแต่ให้ได้ก่ แล้วก็สินก็สุดท้ายสินแปดข้อสุดท้ายก็คือการไม่ไม่หลับนอนนานมากเกินเกินไปการหลับนอนก็เป็นการหาความสุขทางร่างกายอีกแบบหนึ่งถ้านอนเพื่อพักผ่อนร่างกายนี้นอนสี่ห้าชั่วโมงร่างกายก็พอกับการต้องการของร่างกายแต่ถ้านอนบนฟูกนานาะนอนในห้องปรับอากาศ เวลาร่างกายได้พักผ่อนเตื่นขึ้นมาแล้วใจก็จะไม่อยากลุกก็จะกลับไปนอนจ ะ, จะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงแทนที่จะนอนสัก4ี่หชั่วโมงก็จะนอน89้าชั่วโมงแทนเวลาที่จะามาใช้ต่อการปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือนั่งสมาธิจเจริญปัญญาก็จะหมดไปกับการหลับนอนหมดกลับไปกับการ ดูภาพยนต์ดูละครหมดไปกับการรับประทานอาหารผู้ที่ไม่สามารถถือศีลแปดได้นี้จะจะไม่สามารถที่จะบาเพ็ญทมขั้นสูงได้คือขั้นภาวนาได้ขั้นสมถภาวนาคือนั่งสมาธิทำใจให้สงบขั้นวิปัสนาภาวนาคือสอนใจให้ฉลาดให้รู้ ความจริงให้ดูทันความหลงความหลงนี่แหละเป็นตัวที่หลอกให้เราไปหลงรักไปชอบกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพปพะอารู้ไหมว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดพปะนี่เป็นเหมือนงูพิษดีดนี่เองงูพิษที่มาทำให้ใจของเราต้องทุกข์อยู่เรื่อยๆที่เราทุกข์กันทุกวันนี้ก็มันทุกข์กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดพปะนี่แหละไม่ได้ทุกกับเรื่องอะไร พออยากดูอะไรไม่ได้ดูก็ทุกอยากฟังอะไรไม่ได้ฟังก็ทุกอยากดื่มอยากรับประทานอะไรไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานก็ทุกแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกเราดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได้รับประทานก็ได้ไม่รับประทานก็ได้ การที่เราจะทําอย่างนี้ได้เราต้องมีสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่คืองานที่เราจะต้องทําหลังจากที่เรารักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบการเจริญสตินี้เรียกว่าสมถภาวนาเช่นการควบคุมความคิดปรุงแต่งของเราไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อย ความคิดของเรามันจะคิดไปในทางความอยากทั้งนั้นคิดไปกับการหาลาหาราบยศสระเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่เชื่อลองสังเกตดูพอตื่นขึ้นมานี่ใจเราคิดถึงอะไรนะคิดถึงเรื่องดื่มเรื่องกินก่อนละแต่แล้วก็เรื่องเที่ยวต่อถ้าไม่ต้องไปทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปไหนดีไปดูอะไรดีไปฟังอะไรดี มันจะคิดแต่เรื่องราวเหล่านี้นานๆมันถึงจะคิดถือสิ่งแปลกกันสักครั้งนานๆจะคิดจะนั่งสมาธิกันสักครั้งแต่โดยปกติแล้วมันจะคิดไปในทางการเวียนว่ายตายเกิดคือคิดไปสู่การไปหาสิ่งที่รักที่ชอบก็คือการไปหาความสุขทางตางหูจมูกลิ้นกายไปหาความสุขกับลาบยศเสริญนี่เอง ดังนั้นเราต้องหยุดความคิดเหล่านี้ให้ได้ถ้าเราหยุดได้มันก็จะไม่ดึงให้เราไปหาสิ่งเหล่านี้การเจริญสตินี้ก็เป็นการหยุดในเบื้องต้นแต่ไม่ใช่เป็นการหยุดอย่างท้าวรเป็นการหยุดเพื่อที่ให้เราจะได้สอนใจให้คิดไปอีกทางหนึ่งคิดไปในทางที่จะไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกต่อไป เบื้องต้นเราต้องเจริญสติควบคุมความคิดปุ่มแต่งอย่าให้คิดถึงลาบยศสลรเสรินถึงรูปเสียงกลิ่นรสผัธพะเช่นให้คิดคําว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆรื่แต่เตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมีสติพอรู้สึกตัวก็ให้ท่องพุทโธไปเลยแล้วก็ท่องพุทโธควบคู่ไปกับภารกิจที่เราจาเป็นต้องทา ก็ต้องไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท้าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าให้ไปคิดถึงการไปหาราบยศสารเสรญหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภพนะครับแล้วถ้าเรามีเวลาว่างเราก็นั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็ท่องพุทโธต่อไปถ้าใจเราอยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่อง ใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบแล้วก็จะหยุดคิดปรุงแต่งตอนนั้นก็หยุดพูดโธได้ไม่ต้องพูดโธเพราะใจไม่คิดแล้วใจจะว่าใจจะสงบจะเย็นจะสบายจะมีความสุขจะมีความอิ่มไม่หิวกับรูปเสียงกลภภิ่นรสผลทพะอันนี้ก็เป็นขั้นต้นขั้นต้นในการที่เราจะถอดถอน ความผูกพันกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภพพะถ้าเราเข้าสมาธิได้นี้ก็ถือว่าเราปลอดภัยจากการการที่อยากจะไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลตภพพะอยากจะไปหาลาบยศสารเสริญเพราะสมาธินี้ให้ความสุขเรามากกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการได้ลาบยศสารเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะนี่เอง พอเราได้สมาธิแล้วเราก็จะเห็นความจริงว่ามีความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่เราเคยได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่เองพอเรารู้แล้วทีนี้เราก็จะได้มีความขวนขวายที่จะเข้าหาความสุขแบบนี้อยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาแต่ความสุขที่เราได้จากความสงบ นี่มันจะอยู่ไม่ได้นานเท่านั้นเองเป็นเป็นความสุขชั่วคราวพอเราถอนออกจากสมาธิมาแล้วใจของเราก็จะคิดถ้าเราเผลอปล่อยให้คิดเดี๋ยวก็จะคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะใหม่แล้วถ้าเราปล่อยให้ไปเราก็จะสูญความความสงบนี้ไปเราได้ความสุขรูปแบบกลับมา แต่เป็นความสุขที่ยากกว่าที่ต่ำกว่าความสุขที่เราได้จากสมาธิแต่เนื่องจากว่าเรายังมีความผูกพันกับความสุขแบบเดิมๆอยู่มันมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงให้เรากลับไปหาลูกเสียงกิ่นรสผลตถาภารถ้าเราไม่อยากจะกลับไปพอเราออกจากสมาธิมาเราก็มีวิธี2วิธีก็คือเจริญสติต่อไปบริกรรมพุทโธต่อไป ถ้าเราบยกรรมพุทัวต่อไปได้เราก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลประภะได้นล้วถ้าจะแต่มันก็จะเป็นวิธีชั่วเทายัางไม่ได้สามารถที่จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรถ้าเราอยากจะหยุดความอยากความผูกพันกับรูปเสียงกลิ่นรสผลปภะได้อย่างถาวรเราก็ต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าความอยาก ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญนี้เป็นเป็นตัวที่จะทำลายความสงบความสุขที่เราได้จากสมาธิมาสองสิ่งสิ่งที่เราไปหาเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาก็เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะเวลาไปแล้วไม่ได้ดังใจเช่นคิดถึงแฟนไปหาแฟนพอดีไปเจอแฟนอยู่กับคนอื่นเขา้า ความสุขที่คิดว่าจะได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปดีไม่ดีก็อาจจะถึงกับฆ่าตัวตายไปก็ได้อันนี้เราต้องคิดถึงความความจริงเหล่านี้แต่เรามักจะไม่คิดกันเราคิดว่าเวลาเราอยากได้อะไรเราไปหาสิ่งนั้นแล้วเราจะได้ความสุขแต่เราไม่เคยคิดว่าถ้าไปแล้วไม่ได้เราจะทำอย่างไรถ้าไปแล้วผิดหวังจะทำอย่างไร อันนี้เราต้องคิดว่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันไม่ตายตัวไปแล้วอาจจะไม่ได้ก็ได้ได้ก็อาจจะได้ไม่เต็มที่ก็ได้ได้เพียงครึ่งเดียวกาดเคยไปกินกาแฟสักสองแก้วแต่ร้านก็บอกว่ามีเหลือแก้วเดียวเท่านั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้เต็มที่ก็ไม่ได้ความสุขเต็มที่อย่างนั้นถ้าเราพิจารณาความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ และความทุกข์ที่จะตามมาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะหยุดความอยากในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อันนี้เรียกว่าปัญญาวิปัสสนาคือให้เห็นปตายลักษณ์ในสิ่งต่างๆนั้นเองให้เห็นสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยงมันมันเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้เสมอไปเราไม่สามารถที่จะเอาความแน่นอนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ แลถ้าเวลาไม่ได้ก็จะเสียใจจะทุกข์ใจถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะหยุดการความผูกพันได้เช่นเราเคยผูกพันกับบุคคลนั้นบุคคลนี้พอเราพิจารณาเห็นว่าเขาไม่แน่นอนบางทีเขาก็อยู่บางทีเขาก็ไม่อยู่บางทีเขาก็ว่างบางทีเขาก็ไม่ว่างเวลาจะไปหาเขาเขาบอกวันนี้ไม่ว่างก็ไปไม่ได้อย่างนี้เราก็ เราจะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่าเราไม่สามารถไปสั่งเขาให้พบกับเราได้ทุกเวลาที่เราต้องการพอเราเห็นความจริงอย่างนี้เราก็ไม่ไปหาเขาแล้วเลิกไปไปแล้วไม่ได้ความสุขไปทาไมให้เราคิดอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีความผูกพัน ม, มีความรักมีความชอบว่าเขาไม่แน่นอนไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่เขาจะไม่ได้ให้ความสุขกับเรา ไปได้ตลอดเวลาต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งที่เขาจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้และเมื่อเวลานั้นก็จะทําให้เราทุกข์ใจทรมาร์มใจนี่คือปัญญาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราก็จะตัดความผูกพันความรักความชอบในทุกสิ่งทุกอย่างได้ตัดพันความรักความชอบในราบยศรสรรเสริญได้ ตัดพันตัดความรักความชอบในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้เราก็จะอยู่คนเดียวได้อยู่กับความสงบของใจได้ไม่ต้องไปเป็นขอทานไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยๆการแสวงหานี่ก็เป็นเหมือนขอทานดีๆนี่เองข อ, ขอนู่นขอนีน่หานู่นหานี่ด้วยวิธีการต่างๆ ถ้าเรามีความสุขภายในใจเราแล้วเราไม่ต้องไปไหนแล้วเราสบายแล้วอยู่คนเดียวได้มีความสุขอยู่ภายในใจเราตลอดเวลานี่แหละคือการตัดภบตัดชาติถ้าเราถึงจุดอิ่มตัวของใจแล้วใจมันก็จะไม่ไปหาอะไรอีกต่ อ, อไปเหมือนกับคนที่อิ่มแล้วก็จะไม่ไปหาอาหารนารับประทานที่ต้องไปหาก็เพราะว่ายังไม่อิ่มยังต้องหาอยู่เรื่อยๆ ใจของเราก็เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ใจของเราไม่ได้ไปหาอาหารที่ทําให้ใจอิ่มใจไปหาอาหารที่ทําให้ใจกลับหิวเพิ่มมากขึ้นเช่นลูกเสียงกลิ่นรสนี่หามาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอราบยศสละเสริญหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่ความสงบนี่ไม่หากันไม่หาพุทโธกันถ้าได้พุทโธแล้วก็จะได้ความสงบได้ความอิ่ม แล้วถ้าได้ปัญญาได้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะอิ่มอย่างถาวรจะไม่อยากได้อะไรอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัตินาและได้รับผลมาท่านได้ตัดภพตัดชาติโดยเด็ดขาดแล้วท่านจึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอย่างพวกเราต่อไปต่อไปถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังแล้ว เห็นคุณเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันเพราะว่าผลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับเวลาเช่นว่าจะต้องเกิดขึ้นในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สั่งสอนไม่ได้หมายความไม่ได้อยู่กับเพศ ขอบวัยของผู้ปฏิบัติว่าจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นชาติเป็นชนชาติไหนเป็นชาคนคนไทยคนจีนคนแขะคนฝรั่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาตัวที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาก็คือความศรัทธาความเชื่อ ในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ความวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมออย่างเต็มที่อันนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาก็คือต้องอยู่ที่สุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงต่อคําสอน ยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อตัดภบตัดชาติสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติอย่างถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคือเหตุที่จะทำให้เกิดผลคือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งขึ้นมาตามลำดับไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่การเวลา ว่าจะต้องอยู่ในสมัยพระพุทธกาลเท่านั้นถึงจะมีพระอริยสงสาวกมีพระอริยจเจ้าปรากฏขึ้นมาสมัยใดยุคใดก็ได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็สามารถที่จะปฏิบัติให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ ถ้ามีการปฏิบัติอยู่สลักษณะหยังที่ได้แสดงไว้คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี้เท่านั้นดังนั้นขอให้เราหันมาดูที่ตัวเราว่าเรามีทมทั้งสประการนี้หรือเปล่ามีสุปฏิปันโนหรือเปล่ามีอุชุปฏิปันโนหรือเปล่า มียายะปฏิปันโนหรือเปล่ามีสามีจิตปฏิปันโนหรือเปล่าถ้ามีมันก็จะต้องมีมรรคสีผลสีอิพานหนึ่งตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นก็ขอให้พวกเราผู้ที่มีความปรารถนาที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดเกิดตัดกองทุกข์ออกจากใจของพวกเราขอให้พวกเราจงทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจ เราให้กับการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดรับรองได้ว่าผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเกิดได้ภายในภพนี้ชาตินี้ด้วยไม่ต้องเสียเวลาบําเพ็ญเป็นกลับเป็นการเหมือนกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครสอนแต่พวกเรามีคนสอนพอมีคนสอนแล้วก็จะสามารถที่จะ บรรลุผลได้ภายในชาตินี้เลยอย่างที่พระอริยสงสาวกทั้งหลายได้บรรลุ ก, กันท่านก็บรรลุผลภายในชาตินี้ด้วยกันทั้งนั้นการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาว่าขอยุติไว้เพียงทอนนี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาิวาหาปุราปิริปเรนปิสากรัง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 มาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีดิสะนิจจังุทธาปจายโนจตารโอธรมาวาทาติอายุวโนสุขังพาล เมื่อกี้หมออยากจะถามปัญหาอยู่ที่ไหนเข้ามาถามได้ <laughs> หมอที่มากับหมอแดง <laughs> พูดดังๆเลย <laughs> <laughs> ถามถามไม่ได้พูดไปคือ โดยโดยโด ย, โด ย, โดยตัวเองปฏิบัติ ก, ก็นานน่ะนะคะประมาณสามสิบปีได้แต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าการภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งเป็นการที่ควรจะมีการพัฒนาหรือว่าถูกแนวทางหรือเปล่าก็วันนี้ก็เลยอยากจะ นำคำถามมาเรียนถามพระอาจารย์นะคะที่ที่ภาวนาอยู่เนี่ยคือโดยใช้เวทนาทือปัสสนานะคะก็คือใช้การดูเวทนาแล้วก็เดหาในเวทนาที่ปรากฏขึ้นในกายของเราปฏิบัติแบบนี้มาตลอดเวลาที่ผ่านก็มไม่แน่ใจว่ายังไงต่อไป อ๋อถ้าปฏิบัติเรื่องเวทนานี้เราก็ต้องปล่อยวางเวทนาให้ได้ทั้งสามชนิดคือสุขเขาเวทนาทุกข์เขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เขาเวทนาคือรับได้ทุกรูปแบบอากาศจะร้อนก็ไม่ต้องเปิดแอร์อย่างนี้นเรียกว่ารับเวทนาได้อากาศหนาวก็ไม่ต้องอคืออาจจะต้องใช้ผ้าห่มแต่เพื่อรักษาร่างกาย ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้อยู่แต่ไม่ได้หาความสุขจากการาปรับเวทนาหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็ไม่ต้องกินยาแก่ปวด อ, อยู่กับความปวดไปให้ได้ไม่กลัวความเจ็บอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติในในเวทนาทั้งสามคือเรา เอาตามธรรมชาติอากาศร้อนก็ได้อากาศหนาวก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เช่นเวลานั่งแล้วเจ็บก็ไม่ต้องไปขยับมันปล่อยให้มันหายไปเองอ่างนี้ใจถึงจะเป็นอุเบกขาถึงจะเรียกว่าเป็นอุเบกขาแต่ถ้าถ้าในเรื่องของตรงนั้นเนี่ยอตอนมี เราเห็นความเจ็บปวดล้วก็อุเบกขาได้จนจนเราไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปมีมีความทุกข์หรือความสุขอุเบกขากับตรงนั้นแต่ทุกทางกายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่สังเกตตัวเองเนี่ยอย่างเช่นมีอาการปวด<ม>ก็คิดว่าจะใช้อุเบกขาโดยโดยโด ย, โดยที่พระอาจารย์ได้ได้ได้ได้ไดไดไดบอกมเมื่อกี้ น, นะะก็ระยะหนึ่งแต่มันมันก็ยังเห็น ากายที่มันมีความเสื่อมสภาพลงไปเลยทำให้สังขารตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเหมือนกับคนป่วยไปเลยแต่ทันทีที่เรากินยาไปแค่เม็ดนึงหรือสองเม็ดการอักเสบของร่างกายเรามันกลับขึ้นมาได้เลยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นีอ่อุเบกขาของเราถ้าเราไปแบบนั้นมันก็ทำให้กายมันสุกงออาจารย์ อย่างนี้เราเรียกว่ายังไงคะคือถ้าเราจะต้องการทดสอบพลังจิตของเร า, าเราก็ต้องไม่กินยาเช่นเราไปอยู่ในปา่าแล้วเป็นไข้ามาลาเรียไม่มียารักษาเราก็ต้องใช้ธรรมโอสถรักษามันก็คือใช้อุเบกขาต่อสู้กับความเจ็บปวดของร่างกายจนกว่าร่างกายมันจะหายจากโรคภัยนั้นไปถ้าไม่หายก็ถือว่ามันก็ตายไป ตายความตายก็เป็นข้อสอบอีกข้อหนึ่งที่เราจะต้องผ่านให้ได้เหมือนกันเพราะร่างกายเราก็ต้องปล่อยเหมือนกับเราปล่อยเวทนาเหมือนกันนี่หมายถึงเวลาเข้าห้องสอบแต่ถ้ายังไม่เข้าห้องสอบยังไม่พร้อมก็ไปหายาไปหาหมอได้ไม่ห้ามเดี๋ยวจะหาว่าเราสอนให้คนไม่เข้าโรงพยาบาลไม่รักษา นี่หมายถึงว่าเร า, เราอยากทดสอบพลังจิตของเราว่าเรามีอุเบกขาที่จะรับกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายหรือไม่เราก็ต้องไปเข้าห้องสอบไปหาที่ทดสอบจิตใจของเราเช่นไปอยู่ในป่าแล้วก็ไปเป็นไข้เป็นไข้ป่าหรือเป็นอะไรแล้วก็ใช้ธรรมโอโสถคืออุเบกขาทำนี้สู้กับมันไปร่างกายจะหายก็หายไปโรคภัยไข้เจ็บจะหายก็หายไป ไม่หายร่างกายจะตายก็ให้มันตายไปอันนี้เรียกว่าการเข้าห้องสอบของการปฏิบัติรอไงก็ต้องตายอยู่ดีต่อให้อยู่โรงพยาบาลถึงเวลามันก็ตายเราจะรอให้ถึงเวลานั้นเหรอหรือว่าเราจะเข้าหาห้องสอบก่อนมันมีสองทางเลือกรอให้มันถึงเวลานั้นแล้วค่อยเข้าห้องสอบไปได้แต่กลัวว่ามันจะทันการหรือเปล่า แต่ถ้าเราไปหาห้องสอบถ้าเราสอบไม่ผ่านเราจะได้กลับมาทำการบ้านเพิ่มได้แล้วกลับเข้าไปห้องสอบใหม่ได้แต่ถ้าเรารอห้องสอบห้องสุดท้ายนี่ผ่านก็ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ ก, ก็ตก <c oughs> <c oughs> ไม่มีโอกาสสอบซ้อมไม่มีโอกาสแก้ตัวแต่ถ้าเราหาห้องสอบตามเวลาที่เราต้องการเราก็ยังมีเมีโอกาสถ้าเข้าห้องสอบคราวนี้มันสอบตกคราวหน้าเราก็กลับมา มาฝึกใหม่มาสร้างพลังจิตให้มีมากขึ้นใหม่พอเราคิดว่าเรามีพลังจิตมากขึ้นแล้วพร้อมที่จะเข้าห้องสอบใหม่เราก็กลับเข้าไปห้องสอบใหม่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อประมาณสิบสิบสองวันที่ผ่านมานะคะเมื่ออาทิตย์แล้วเต็งมีอาการปวดแล้วก็คิดว่าจะจะจะจ ะ, จะใช้ยี่สิบสองวันเนี้ยดูว่าเราเนี่ยความอุบดตขาของเราได้ขนาดไหน แต่พอสุดท้ายออกมาก็พอวันที่สิบสามไม่ไหวต้องทานยาแต่ช่วงสิบสิบสองวันที่ที่ดูอาการปวดที่มันเกิดขึ้นในในในกายเราเนี่ยก็ไม่ไมไม่ได้มีมีมีการพัฒนาแสดงว่าอุเบกขาของเราเนี่ยการที่เราภาวน า, าในแนวนี้แล้วก็ตรงนี้ขอเรียนพระอาจารย์ช่วยแนะนำเพื่อที่จะ ได้มีการพัฒนาในการปฏิบัติที่มากขึ้นข่าวชื่อไคืออุเบกขาเนี่ยมันก็มีอยู่สองระดับอุเบกขาที่ได้จากสมาธิคือทําใจให้นิ่งไม่คิดปรุงแต่งอันนี้ก็เป็นอุเบกขาที่ไม่ถาวรแล้วก็อุเบกขาอีกระดับหนึ่งเรียกว่าอุเบกขาที่ได้จากวิปัสสนาได้จากปัญญาอันนี้เป็นจะเป็นอุเบกขาที่ถาวร ก็คือจะต้องเห็นอริยสัจสในขณะที่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาคือเวลาที่เกิดความเจ็บทางร่างกายเนี่ยมันจะเกิดความเจ็บทางใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเราต้องมองให้เห็นความเจ็บทางใจและมองให้เห็นว่าเหตุที่ทำให้เกิดความเจ็บทางใจนี้คืออะไรถ้าเราเห็นและเราหยุดความหยุดเหตุที่ทำให้เกิดความเจ็บทางใจได้ความเจ็บทางใจก็จะหายไป ใจก็จะกลับเป็นอุเบกขาอย่างถาวอนอันนี้ต้องเห็นตัวนี้ถึงจะผ่านได้ถึงกัถึงถึงถึงกัถือว่าสอบไม่สอบผ่านต้องเห็นอริยสัจสี่ในทุกขเวทนาเห็นว่าเวลาร่างกายเจ็บนี้เกิดความเจ็บทางใจขึ้นมาเกิดอริยสัจทุกทุกเนททุกขึ้นมาทุกใจขึ้นมาก็ต้องมองให้เห็นว่าทุกใจนี้เกิดจากความอยากให้ความเจ็บ ของทางร่างกายหายไปหรือความอยากที่จะหนีจากความเจ็บของทางร่างกายนี้ไปถ้าเราเห็นว่าความอยากตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตความทุกข์ทางใจที่รุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายเป็นภัยกับเรามากกว่าความเจ็บทางร่างกายเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าความเจ็บทางร่างกายนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตา เราไปสั่งให้เขาเกิดสั่งให้เขาดับไม่ได้เขาจะเกิดเขาก็เกิดเขาจะดับเขาก็ดับเองถ้าเราไปอยากให้เขาดับในขณะที่เขาเกิดมันก็จะเกิดทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดความทุกข์ใจเราก็อย่าไปอยากให้มันความเจ็บทางร่างกายหายไปอยู่กับความเจ็บนั่นไปพอไม่มีความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปความทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิด พอไม่มีความทุกข์ทางใจความเจ็บทางร่างกายก็เป็นเรื่องจิบจอยไปพอน้ําหนักของมันของร่างของทางร่างกายกับทางใจนี่มันหนึ่งต่อสิบอย่างนี้พอความเจ็บทางใจไม่เกิดแล้วความเจ็บทางร่างกายมันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเองอันนี้แหละคือที่จะทําให้จิตสามารถอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ถ้าหยุดทุกข์ในใจได้ถ้าละตัญหาความอยาก ที่ทำให้เกิดความทุกข์ภายในใจนี้ได้จะละได้ก็ต้องเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปอยากให้ความเจ็บทางร่างกายนี้เป็นไปตามความคำสั่งของเราได้เราก็หยุดเสียท่านั้นเองหยุดความอยากอย่าหนีความอย่าหนี้ความเจ็บของร่างกายอย่าไปอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับฝนตกนี้เราอย่าไปอยากให้ฝนมันหยุด แล้วเราจะไม่เครียดมันเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราอยากจะให้ฝนหยุดนี่เราจะทุกข์เราจะเครียดนี่ยคือถ้าเราอยากจะได้อุเบกขาที่ถาวนรเราต้องได้ผานาริยรสัจสี่เพราะเวลาเห็นด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางความเจ็บทางร่างกายได้จิตก็จะกลับเข้าสู่อุเบกขาแล้วจะเข้าแบบถาวรแล้วต่อไปจะไม่มีความกลัวความเจ็บทางร่างกายต่อไป แสดงว่าโยมก็ปฏิบัติถูกแต่ขาดความเพลิงยังน้อยไปหลวงปร่อาจรย์ก็โยมเป็นคนปฏิบัติเองมาถามเราทาไมก็แนวทางนี้ก็ที่พูดนี้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจที่ฉันเข้าใจแนวทางของอริยสัจสีหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นต้องเห็นต้องเห็นดวงตายเห็นธรรมก็เห็นตรงนี้ เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากของเรานี่เองเหมือนกับเราค้อนมาทุบศรีรษะแต่ไม่รู้ว่าเราเราปวดศรีรษะเพราะเราค้อนมาทุบพอเราไปส่งกระจกดูถึงไงเห็นโอ้นี่เราค้อนมาทุบศรีรษะเราเนี่ยะเราก็หยุดทุบศรีรษะเรามันก็หายปวดแล้นะใจเราก็เป็นแบบเดียวกันเราอยากอยู่เรื่อยๆอยากทีไรก็ทุกทุกทีแต่ไม่รู้สึกตัวว่าเรากําลังสร้างความทุกข์ใจให้กับตัวของเราเอง จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกส่องเอาให้เราเห็นว่าเนี่ยที่คุณทุกข์ใจอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าคุณอยากกันถ้าคุณไม่อยากกันแล้วคุณจะไม่ทุกข์คุณอยากไม่แก่คุณก็ทุกข์กับความแก่คุณอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคุณก็จะทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยคุณอยากไม่ตายคุณก็จะต้องทุกข์กับความตายแต่ถ้าคุณไม่อยากไม่มีความอยากกับความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคุณก็จะไม่ทุกข์กับเขา คุก็จะแก่อย่างสบายทุกเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสบายตายอย่างสบายนี่แหละคือผลของการปฏิบัติที่เราต้องการเห็น<ม>ที่ต้องการจะได้อันนี้เป็นขั้นปัญญาขั้นถาวรการดับทุกอย่างถาวรถ้าเป็นขั้น ส, สมาธิก็เพียงแต่พุโทโธพุโทโธไปมันก็ไม่เจ็บมันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่ทุกข์ใจแต่มันไม่เห็นอริยสัจมันเพียงแต่หยุด การปรุงแต่งไปไม่ให้เกิดความอยากให้มันความเจ็บหายไปเท่านั้นเองแต่พอเราหยุดปรุงหยุดพุทหยุดพุทโทเมื่อไหร่เดี๋ยวความปรุงแต่งมันจะกลับมาทันทีจะอยากให้ความเจ็บหายไปทันทียังกลัวความเจ็บอยู่ยังอยากให้ความเจ็บหายอยู่แต่เบื้องต้นก็ต้องอาศัยขั้นของสมาธิไปก่อนเพราะมันง่ายกว่า การจะเห็นอริยสัจสีนี้ยากถ้าจิตไม่สงบไม่มีสมาธิพอจะมองไม่จะมองไม่เห็นงนั้นถ้าเรายังมองไม่เห็นอริยสัจสี่ที่เกิดขึ้นเวลาที่มีทุกขเวทนาเราก็ต้องใช้การเจริญสติไปก่อนบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อที่จะไม่ให้ไปอยากให้ความยความเจ็บของทางร่างกายหายไป แล้วความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นชั่วคราวขณะที่เราบริกรรมพุทโธอยู่มันก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดบริกรรมเมื่อไหร่มันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือแนวทางของการปฏิบัติต้องเริ่มที่สติก่อนสติเพื่อให้ได้สมาธิ แลพอมีสมาธิแล้วก็จะมีอุเบกขาพอที่จะพิจารณาอาริยสัจสีได้ถ้าไม่มีสมาธิพอเกิดความเจ็บขึ้นมาปับ๊บมันจะไม่มีสติสตังที่จะพิจารณาแยกแยะความเจ็บทั้งสองส่วนออกจากกันจะคิดว่าความเจ็บทั้งหมดรวมอยู่ที่ร่างกายเพียงอย่างเดียวจะไม่รู้ว่าความเจ็บที่นหนักหนาสาหาัสไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจ ที่เกิดจากความอยากนี่เองอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องแยกให้ออกแยกให้เห็นทุกกายกับทุกใจทุกกายสั่งเขาไม่ได้แต่ทุกใจสั่งได้สั่งให้มันหายได้หยุดความอยากวาความทุกข์ใจก็หายทันทีแต่ทุกกายก็ต้องปล่อยไปตามวาละของเขาถึงเวลาเขาหายเขาก็หายถึงเวลาเขาไม่หายก็ไม่หายแต่ทุกกาย มันไม่ใหญ่โตเหมือนกับทุกใจที่ทนไม่ได้ไม่ใช่ทนกับทุกกายทนไม่ได้กับทุกใจตัางหากเนี่ย <c oughs> เวลาปฏิบัติกับเวทนาต้องแยกออกแยกสอง ส, ส่วนนี้ให้ออกจากกันให้ได้แล้วจัดการกับส่วนที่เราจัดการได้ก็คือทุกใจส่วนทุกกายนี้เราจัดการไม่ได้ไมค่ะแล้วทุกในเราจัดการไม่ได้ด้วยคือ ก็ต้องอยู่กับมันไปถ้านั้นเองจนจนกายมันจะตายไปก็จบค่ะแสดงว่าการที่เรามาการที่เรามาสนใจกระทุกกระทางกายอีกนี้แสดงว่าทั้งทั้งที่ทุกทางใจเราเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่นั่นแต่เราไปไปทุกทางกายกับเขาอีกแสดงว่าอุเบกขาของเรายังแยกไม่ยังยังยังไม่ไม่ไม่ ยังไม่อยู่เฉยๆยังปล่อยวางไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาไม่ไม่มีปัญญาไม่เห็นว่าเราไปสร้างความวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายแล้วก็มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจของเราถ้าอยากจะให้ใจเรานิ่งสงบก็ต้องปล่อยวางร่างกายดีนะพาใจแล้ว มีใครจะถามบ้างที่ท่านถามที่ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยที่เป็นทุกข์เนี่ยค่ะก็ถือว่าเพรความอยากแอ่บางทีความอยากของเราเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในฐานะที่ว่าเราบางทีเราเป็นพ่อแมเ่เราก็มีความอยากคืออยากจะให้ลูกเนี่ยได้ดี นี่เนี่ยความอยากบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นทุกข์จะทำยังไงให้มันหายทุกข์ล่ะคะอยากได้แต่อย่าไปยึดติดกับความอยากได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีก็จะไม่ทุกข์อยากให้ลูกได้ดีแต่ลูกไม่ดีก็ก็อย่าไปเสียใจก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วเขาไม่ดีก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าอยากแล้วต้องได้ตามใจอยากแพอไม่ได้ก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที กระจายไหมแตมันป่อยยากะเข้าใจแต่มันป่อยยากบางทีเราฐานะที่เราเออเราเป็นพ่อเป็นแคือด้วยความฝ่าถนานั้นด้วยความที่ว่าเราเป็นแม่ที่เราก็ถามตัวเองว่าแล้วเราทุกไปทําไมเขาก็ไม่ดีอยู่ดีทุกแล้วไม่ทุกทุกกเขาก็ไม่ดีไม่ทุกเขาก็ไม่ดีเราจะเอาไหนดีจะเอาทุก ด, ดีหรือไม่ทุกดีแล้วเราจะทำให้เขาได้ดีไหมคะ ก็เขาอยู่ที่บุญกรรมของเขาไงแต่ก็มีบุญเขาก็ดีของเขาเองแต่าขาไม่มีบุญสอนยังไงมันก็ไม่ดีอยู่นั่เหมือนคุณจะทำให้กล้วยมันเป็นส้มได้หรอเปล่าคุณมางไม่เห็นเข า, าเขาเป็นกล้วยแต่คุณอยากใจก็เป็นส้มอย่างเงี้ยพอเขาไม่เป็นส้มคุณก็ทุกไปอย่างนั้นอ่ะดูเขาเสิดูว่าเขาเป็นอย่างไร เ, เขาดีไม่ดีทาไมดูคนไม่เป็นเดะ เพราะความหลงมันครอบงมพอเป็นลูกเรามันต้องดีอย่างเดียว <c oughs> มันชั่วไม่ได้เข้าใจมเราไม่ดูพฤติกรรมของเขาเราดูว่าเขาเป็นลูกเราเขาเป็นลูกเราการกระทำเขาทุกอย่างดีไปหมดแต่ถ้าเป็นลูกคนอื่นทำอะไรนี่ไม่ดีไปหมดเลยเ <c oughs> นี่ยเรามีอคติความรักทำให้เรามองไม่เห็นความจริงกัน ต้องฝึกปล่อยวางต้องฝึ ก, ฝกทําใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วใจจะเป็นกลางจะเห็นความจริงไม่เห็นตามอคติตอนนี้ตาเรามันเหมือนใส่แว่นอยู่เห็นอะไรเป็นสีเขียวหมดเลยเพราะว่าแว่แวนของเราเป็นสีเขียวเราต้องเปลี่ยนแว่นให้มันเป็นสีขาวเราจะได้เห็นสีสีจริงได้ว่าเป็นสีอะไรการทําสมาธินี่เพื่อทําใจให้เราไม่มีอคติไม่มีความรักความชัง ความกลัวความหลงตอนเราไม่มีอคติแล้วเราจะมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ยังต้องพยายามฝึกทําสมาธิจเจริญสติบ่อยๆแล้วเราก็ต้องสอนเขาให้กันสอนได้แต่เพียงแต่ว่าอย่าไปอย่าไปยึดติดกับคําสอนว่าจะต้องได้ผลเท่านั้นเองได้ผลก็ดีไม่ได้ผลก็แสดงว่าเขารับไม่ได้เขาไม่มีความสามารถที่จะทําตามที่เราสอนได้ เหมือนกับให้เงินเขาแล้วเขาไม่เอาก็อย่าเสียใจเขาไม่เอาก็เอากลับคืนมาอาไรนะสอนให้เขาทำความดีเขาไม่ทำความดีก็ล้วก็เอาล้วก็หยุดสอนท่านเองต้องต้องไม่ให้ยึดว่าเป็นลูกของเราเขา ไ, ได้โ <laughs> ต้าตายากจะทำยาก อามาที่นี้ใครไหมไม่มีาอินเทอร์เน็ตมามาครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook ราจาย์สุชาติพิชาโตนะครับคำถามแรกจากคุณวิรัตนะครับขัน5มีอะไรบ้างเมตตาอธิบายและบอกการพิจารณาด้วย ความจริอาจารย์ที่บายก็ได้แต่คุณอยู่อินเทอร์เน็ตคุณน่าจะลองเสิร์ช Google ดูบ้างจะได้ไม่ต้องมาคอยถามปัญหาที่มันมีคำตอบอยู่ลองไปเสิร์ชดูขันห้างละเอียดกว่าที่เราจะพูดเอกคำถามข้อต่อไปจากคุณมัมเจไดนะครับจิตรวมลงเป็นสมาธิเป็นอย่างไรและเวลาจิตถอนตัวออกจากสมาธิเองเป็นอย่างไร ก็จิตรวมลงสมาธิก็เหมือนเวลาเราตีกอลฟลงเข้าไปในหลุมเวลาลูกมันลงหลุมแล้วมันก็ไม่กิ้งไปไหนแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามันยังไม่ลงหลุมนี่บางทีมันก็กิ่งลงเขากิ่งไปทางนูน้นกิ้งไปทางนี้ได้<ม>จิตก็เหมือนกันถ้าจิตมันเข้าสมาธิแล้วมันก็เหมือนตกลงไปในหลุมในบ่อแล้วมันก็จะนิ่งมันจะไม่ไปคิดปรุงแต่ง<ม>เรียกว่าจิตรวมเป็นเป็นสมาธิการใช้สตินี่ก็เป็นการต้อนต้อนลูก ตอนจิตให้เข้าไปในหลุมนี้ดึงมันเข้าไปในหลุมพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราไม่พุโทโธพุโทโธมันจะออกไปทางตาหูจะหมกดิ้นกายไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์มันก็จะไม่เข้ามันก็จะไม่ลงหลุมแต่ถ้าเราใช้พุโทโธดึงเอาไว้ดึงไว้เหมือนกับเราต้อนมันเข้ามาให้มันอยู่แถวปากหลุมพอเรามีเวลาว่างนั่งเฉยๆพุโทโธพุโทโธสองทีปักมันก็ลงไปในหลุมเลยพอลงไปในหลุมแล้วมันก็จะว่า ไม่คิดปรุงแต่งจะสักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็อุเบกขาจะอิ่มจะพอจะมีความสุขอันนี้แหละคือสมาธิเรามันอยู่ได้สักพักหนึ่งมันก็จะถูกกิเลสตันหาดันออกมาคือเนี่ยตันหากิเลสมันจะคอยดันจิตออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสพุทโธคือสติก็พยายามจะดันมันเข้าไปในในสมาธินี้พุทโธของเรามันก็มีกําลังอยู่ในระดับหนึ่ง พอดันเข้าไปอยู่ได้สักพักนึงมันหมดกําลังกิเลสนั้นมีกําลังมากกว่ามันก็ดันให้จิตออกจากสมาธิมาถ้าเราอยากจะกลับเข้าไปใหม่เราก็ต้องบริกรรมพุทโธใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้าไปใหม่ได้จากท่านเดิมนะครับเวลานั่งสมาธิไปได้สักพักรู้สึกเหมือนตัวเองขยายออกไปด้านข้างนั่นคืออะไรแต่คิดเองว่าคงเป็นอาการของจิต ลูกก็เลยไม่สนใจแต่เร่งภาวนาพุทโธพุทโธสักพักอาการร่างกายขยายออกก็กลับมารวมอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมไม่ทราบว่าที่ลูก ป, ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันเหมือนร่างกายจะขยายออกก็ปล่อยให้มันขยายออกไปตามรู้มันไปอย่าไปตามรู้ให้เรากลับมาอยู่ที่พุทโธเรามีหน้าที่ภาวนาพุทโธพุทโธไป ส่วนผลอะไรที่จะเกิดขึ้นนี้เราไม่ต้องไปสนใจให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปคือให้ปล่อยวางเราไม่เที่ยงถ้าเราไปยุ่งกับเขาแล้วเราจะทุกข์เราจะวุ่นวายใจเราจะเกิดความอยากให้เขาหายไปบ้างอยากจะให้เขาอยู่ไปนานๆบ้างถ้าเราชอบก็อยากจะให้เขาอยู่ไปนานๆถ้าเราไม่ชอบก็อยากจะให้เขาหายไปนั้นเวลานั่งภาวนาแล้วมีอะไรปรากฏให้รับรู้อย่าไปสนใจถือว่าเป็นผลข้างเคียง เป็นผลที่ไม่สำคัญถ้าเราไม่ไปให้ความสำคัญกับเขาเดี๋ยวพอจิตเราเข้าสู่ความสงบแล้วทุกอย่างก็จะหายไปหมดให้อยู่กับพุโทโธไปให้ภาวนาไปถ้าถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับอะไรที่จะปรากฏให้เรารับรู้ร่างกายจะพองร่างกายจะหดตัวจะรอย น, นก็ช่างมันไม่ต้องไปสนใจกับมันเป็นเรื่องของของจิตที่มันเรื่องของ เรื่องของจิตเรื่องของร่างกายไม่ต้องไปสนใจไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้เราอยู่กับพูดโทรเพยงอย่างเดียวแล้วเราจะได้เข้าสู่ความสงบได้พอเราเข้าสู่ความสงบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะหายไปเองถ้าเราไปยุ่งกับมันปั๊บเดี๋ยวเราก็ ส, สติก็แตกใจก็จะถอนออกมาจะนั่งต่อไปไม่ได้พอจะคิดปรุงแต่ง จะเกิดความกลัวบ้างจะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาบ้างเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็เลยทำให้การภาวนาล้มเหลวไปไม่สำเร็จไม่ได้ผลถ้าอยากภาวนาให้ได้ผลให้จิตเข้าสู่อัปปนาเข้าสู่อุเบกขาก็ต้องบริกรรมพุทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นไม่สำคัญไม่เป็นปัญหาอย่าตามรู้ ยิ่งตามรู้ยิ่งเสียเสียเสียการภาวนาเลยเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเราเดินทางกลับบ้านเราขับรถไประหว่างทางเราเห็นลิเกบ้างเห็นยิ้วบ้างเห็นมีนูงละครมีการลรดลน้ำต่างๆถ้าเราอยากจะกลับบ้านเราก็อย่าจอดขับรถไปเรื่อยๆถ้าเราจอดลงไปดูยิ้วดูลิเกเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงบ้าน คำถามข้อต่อไปจากคุณนัชชาเบนนะครับค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับโยมปฏิบัติอยู่ที่บ้านอาศัยฟังครูอาจารย์หลายองค์จาก YouTube มีองค์หลวงตาเป็นหลักหลวงปู่ล่าหลวงปู่จวนว่าถ้าทำในใจติดตรงไหนก็หาฟังจนแก้ได้และสามารถไปต่อได้ก็ฟังซ้ำๆแล้วพิจารณาจนเกิดความเข้าใจ ขอกับอาการต่างๆแต่มีระยะห่างการเกิดแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรยังคงไปต่อแม้จะท้อก็มีเหนื่อยล้าก็บ่อยแต่ก็บอกตัวว่าจะหันหลังกลับก็ไม่ได้โรคเบียดมาให้เข้าหาทำขอแต่ได้มีปัญญารู้แจ้งตามธรรมจึงมีกำลังใจมาเรื่อยๆเจ้าค่ะอาการคือกระดูกเย็นทั้งตัว ตัวหายไปหมดเหลือแต่รู้ว่ามีลมหายใจก็ตั้งสติไว้เท่านั้นแยกจิตแยกเวทนาทางกายคือปวดขาแต่ไม่ถึงใจต่างก็เป็นของใครของมันช่วงเวลานั้นสุขอย่างบอกไม่ถูกติดอาการนั้นอยู่หลายสั ป, ปดาห์ระยะหนึ่งจิตเข้าไปในความว่างก็เห็นว่าตัวเราไม่ใช่เราเป็นของโลกอย่างนั้นเองหลังจากนั้น มาก็มีคําพูดออกมาทั้งที่เราไม่เคยได้ยินเช่นข้าวเหนียวที่นึ่งไม่สุกจะไปปนกับข้าวเจ้าก็ไม่ได้จะกลับไปเป็นข้าวเหนียวก็ไม่ได้จนปัญญาที่จะตอบว่าอย่างไรต่อมาก็มาบอกอีกว่านี่คือทำที่ฝ่าสจากอารมณ์อันใดเป็นธรรมสปริงยกจากสะดือขึ้นมาหยุดที่กลางอกต่อมา ก็บอกว่าที่พึ่งอันแท้จริงไม่มีที่เห็นอยู่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งอันแท้จริงแล้วแยกจิตออกจากกายให้เห็นชัดเจนน้ําตายมซึมซาบซึ้งในธรรมของพระพุทธเจ้ามากกราบแล้วกราบอีกแล้วเมื่อกลางเดือนที่แล้วจิตก็หมุนลงมาเหมือนจานมีรูอยู่ตรงกลางลอยลงสู่พื้นน้ำอย่างนั้นแล้วมันก็สว่างในกายทั้งหมดจิตมารวมที่ฐาน เป็นที่ตั้งแน่นอนรู้สึกได้ประมาณนี้เจ้าค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้จากนี้จากที่เวลาไปเดินจงกรมในที่มืดจะกลัวแต่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวอะไรเลยกินก็น้อยนอนก็น้อยหรือไม่นอนก็ได้แต่พิจารณาดูร่างกายมันจะเพียถ้าไม่นอนบ้างจึงต้องบังคับให้มันนอนบ้างตอนนี้คือมันเหมือนจิตเบากายเบาไปหมด จากที่ยังหาทางไปต่อไม่ได้เจ้าค่ะหาคำที่ไหนฟังก็ไม่มีต้องหาครูอาจารย์เท่านั้นคิดอย่างนี้เจ้าค่ะกราบเมตตาด้วยระยะนี้ก็ทําเพียงเอาสติกํากับดูจิตที่ฐานเมื่อมีอารมณ์ปรุงแต่งก็รู้พิจารณาดับไปสังขารที่เกิดจากอายตนะมาทางไหนก็พิจารณารู้แล้วดับเป็นอย่างนี้ไปเท่านั้นเอง เคยได้ยินหลวงปู่จวนเทศว่าถ้ายังไม่แจ้งในขันจิตจะไม่วางคืออย่างไรเจ้าคะก็คือยังไม่เห็นตายลักในขันห้าไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายังมีความอยากในขันห้าอยู่มันก็ยังจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่แจ้งไม่รู้แจ้งเห็นจริงยังปล่อยวางขันไม่ได้ถ้าเห็นขันเป็นตายลักเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา เนสุภาอย่างนี้มันถึงจะปล่อยได้ยันเราต้องดูที่ที่ตัณหาว่ายังมีอยู่ในใจหรือเปล่ายังมีกามาตัณหาอยู่หรือเปล่ามีภาวะตัณหาอยู่หรือเปล่ามีวิภวะตัณหาอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีตัณหาเหล่านี้อยู่ก็แสดงว่ายังไม่มีปัญญาที่มาดับมันสิ่งที่ได้ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนของสมาธิทั้งนั้น คือการทําจิตให้สงบแต่ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องตายรักเลยยังไม่ได้พิจารณาเรื่องอริยาาสัจสี่เลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นต้องออกมาเจริญทางปัญญามาพิจารณาขันห้าพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายว่าต้องแก่พิจารณาเวทนาว่าต้องเจ็บพิจารณาร่างกายว่าต้องตาย เรายังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ต้องตัดมันให้ได้ถ้าตัดมันได้ถ้าเห็นว่าร่างกายเวทนาเป็นตายรักมันก็จะตัดได้ตัดได้มันก็จะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไปมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายส่วนการอารมณ์ก็ต้องพิจารณาอสุภะดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกาย อย่าไปดูแต่ภายนอกให้ดูภายในให้ผ่าผ่าร่างกายออกแวะมันออกดูดูใต้หนังบ้างว่ามีอะไรใต้หนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีปอดมีลำไส้ <c oughs> มีอาหารใหม่อาหารเก่าอย่างนี้ดูให้มันเห็นว่ามันน่ารักไหมอันนี้ถ้าดูบ่อยๆแล้วมันก็จะคลายกลามอารมณ์ได้ แล้วต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากในการอารมณ์อันนี้ก็คือเรื่องของปัญญาที่จะต้องพิจารณาพิจารณาตายรักในผันห้าในร่างกายในเวทนาสัญญาสังขาร น, นี้มันก็เป็นส่วนรวมกันถ้าเราพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็จะถูกพิจารณาไปพร้อมๆกันนั้นขอให้เราผ่าน ความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ผ่านเรื่องของการอารมณ์ให้ได้แล้วก็เข้าไปในจิตก็ไปไปแก้อัตตาตัวตนที่มีอยู่ภายในจิตอันนี้คือเรื่องของปัญญาที่ต้องพิจารณาว่าแม้แต่ในจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถึงจะได้หลุดพ้นอย่างแท้จริง คำถามข้อต่อไปจากคุณภูสิทธิ์นะครับขณะนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธจิตก็เกาะ อ, อยู่กับพุโทโธได้ดีสักพักแล้วสติก็อ่อนกำลังจิตก็เผลอส่งออกนอกพอระลึกได้ก็กลับมาที่ลมหายใจต่อจะวนมีสติบ้างเผลอบ้างอยู่แบบนี้เริ่มแรกช่วงเผลอขาดสติจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆสังเกตว่า ช่วงกำหนดพุดโทโธจะมากกว่าช่วงเผลอพอหลายๆรอบหน่อยช่วงที่เผลอเริ่มขยายเวลานานขึ้นช่วงมีสติปดสั้นลงกระผมมักจะนึกถึงมรณภัยที่กำลังจะมาถึงจากจะต้องตายเมื่อลือนนี้พรุ่งนี้วันนี้เที่ยงคืนนี้หรือบางครั้งก็นึกถึงว่าพยามัจจุราชมายืนรอเอาชีวิตเดีย๋ยนี้เพื่อเรียกสติให้ตื่นขึ้น นี่พอจะเป็นอุบายในการปฏิบัติได้หรือเปล่าครับหรือควรปฏิบัติอย่างไรให้สติก่อกับพุโทโธโดยไม่เผลออะไรก็ได้ที่ทำให้เราเจริญสติได้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นแ่ะทั้งให้เราเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับได้ก็ใช้มันไปจะใช้อุบายวิธีอย่างใดก็แล้วแต่จลิตของแต่ละคนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน งนั้นก็อยู่ที่ตัวเราที่เราจะต้องสรรหาเอาวิธีการต่างๆอุบายต่างๆมาใช้เพื่อที่จะทำให้เราไม่เกียดคร้านในการเจริญสติในการดอนกรรมพุทโธพุทโธไปหมดแล้วเลยหมดแล้วครับอาจารย์ถ้าหมดแล้วก็อันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุบความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ